จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลือ่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส4บสกภาพัน์พุทธศักราช2558เป็นวันที่พวกเรามีเวลาว่าง จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างกุศลเพราะเรามีความเชื่อว่าหลังจากที่ร่างกายทีตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราต้องไปหาร่างกายอันใหม่และเวลาระหว่างที่เราเดินทาง ไปสู่ร่างกายอันใหม่ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลก็เหมือนกับเวลาที่เราออกเดินทางจากบ้านเราไม่มีเงินทองติดตัวไปถ้าเรามีเงินทองติดตัวไปเราก็จะไปได้อย่างสะดวกไปได้อย่างสบายจนกว่าเราจะไปได้ร่างกายอันใหม่ได้กลับมาเกิดใหม่ คนทำบุญเวลาออกจากร่างกายไปก็ไปแบบเศรษฐีสามารถที่จะเลือกการเดินทางได้รูปแบบต่างๆจะขึ้นรถทัวร์ก็ได้จะขึ้นแท็กซี่ก็ได้จะขึ้นหอก็ได้หรือจะขึ้นเครื่องก็ได้ถ้ามีเงินซื้อตัว๋วเราก็สามารถที่จะ เดินทางไปได้อย่างสบายและเวลาที่เราต้องจอดแวะพักตามสถานที่ต่างๆเราก็จะมีเงินทองไว้สำหรับจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอาหารและค่าใช้ใจ่ายต่างๆเช่นการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในช่วงเวลาที่เราเดินทางไปสู่ร่างกายใหม่ นี่คือลักษณะของผู้ที่ทำบุญอยู่อย่างสม่ำเสมอรักษาศีลไม่ทำบาป ท, ทำกรรมเวลาออกจากร่างกายนี้ก็จะได้ไปด้วยความสุขด้วยความสบายไป แ, แบบนี้เราเรียกว่าไปสวรรค์แล้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็ ได้กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่อย่างที่พวกเราทำกันแต่ถ้าเราไม่ทำบุญไม่สร้างกุศลเวลาเราออกเดินทางจากร่างกายนี้ <c oughs> ก็เหมือนกับเดินทางออกจากบ้านโดยไม่มีเงินทองติดตัวไปนอกจากไม่มีเงินทองแล้วยังมีหนี้สินติดตัวไปด้วย <c oughs> จะขึ้นลดขึ้นรา ก็ไม่มีเงินซื้อตัว๋วเวลาแวะพักตามสถานที่ต่างๆก็ไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอาหารอา จ, จะต้องไปอาศัยวัดอยู่ไปขอข้าววัดกินถ้ามีที่ไปที่แวะวัดก็คือเวลาคนเขาส่วนทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้กับเรานั่นแหละ เหมือนกับการไปวัดไปรอรับส่วนบุญเพราะเราไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าโรงแรมไม่มีเงินทองไปจ่ายค่าอาหารแล้วถ้าเรามีหนี้ติดไปเราก็จะถูกเจ้าหน้าที่จับเราไปขังคุกขังตารางคุกตารางของดวงวิญญาณก็คือนรกนี่เราไปไหนไม่ได้ต้องไปใช้กรรมก่อน ก่อนที่เราจะเดินทางไปสู่ร่างกายอันใหม่เราก็จะเดินทางอย่างทุลักทุเลอย่างลำบากลำบนอาจจะแวะเป็นเดรัจฉานก่อนเป็นเปรตก่อนแล้วถึงค่อยได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างคุศลเราก็ไม่มีบุญกุศลติดตัว ทำให้เรามาเกิดแบบยากจนลำบากมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยไม่งามผิวผ่านไม่สงสัยเกิดในฐานะที่ไม่ดีเป็นลูกของคนยากคนจนสติปัญญาก็ไม่ฉลาดไม่แหลมคมดีไม่ดีร่างกายอวัยวะก็ไม่ครบ32สอง มีโครคภัยไข้เจ็บติดตัวมาเบียดเบียนทําให้มีอายุสั้นนี่คือลักษณะของผู้ที่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลคือไม่ทาทานอยู่เรื่อยๆไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์จะได้รับผลอย่างนี้แต่ถ้าได้มันทําบุญอยู่เรื่อยๆพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัเวณีไม่พูดปดโกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเวลาตายไปเราก็จะไปแบบคนมีเงินติดตัวไปเดินทางได้อย่างสบายอยากจะขึ้นเครื่องก็ซื้อตั๋วได้อยากจะขึ้นแท็กซี่ก็จ่ายเงินได้ อยากจะเช่ารถขับเองก็มีเงินจ่ายเวลาจะพักโรงแรมห้าดาวก็เข้าไปพักได้รับประทานอาหารร้านอาหารห้าดาวก็ทำได้อยากจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ทำได้เพราะมีเงินจ่ายค่าทัวร์จ่ายผู้จ่ายมักคุเทศพวกไกที่จะพาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แล้วเวลาเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็จะได้ร่างกายที่สวยงามรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองมีสติปัญญาที่จะทำให้เราเรียนหนังสือได้สูงมีสติปัญญาที่เราจะเอาไปใช้ในการ ทำมาหากิดนดำรงชีพได้อย่างสุดเจริญมีอวัยวะครบ32ปราศจากโกรคเบียดเบีย น, ยนมีอายุยืนยาวนานนี่คืออันที่สองผลที่เรามาทำบุญกันอยู่เรื่อยๆรักษาสินกันอยู่เรื่อยๆบุญนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกัน บุญที่เกิดจากการให้เราก็เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็เรียกว่าบุญอุทิศบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญเวลาผู้อื่นทำบุญเราก็ร่วมทำไปด้วยหรือถ้าเราไม่มีเงินเราก็แสดงความยินดีชื่นชมไปกับเขาเราก็ได้บุญ บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้เช่นรับใช้พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์บุคคลที่มีพระคุณกับเราเวลาที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ท่านชราภาพไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ควรที่จะเลี้ยงดูท่าน เราจะได้บุญโดยเฉพาะการเลี้ยงดูบิดามารดาท่านบอกว่าเท่ากับได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์เพราบิดามารดานี้เปรียบเหมือนเป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆทำบุญกับพ่อกับแม่จะได้บุญมากกว่าทำบุญกับคนอื่นแล้วก็ได้บุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ดำลงตนให้เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายมีสัมมาคาระวะรู้จักที่สูงที่ต่าแล้วก็บุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเวลาฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ยินเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอเราฟังซ้ำอีกเราก็จะ ได้ความเข้าใจที่กระจ่างขึ้นแล้วเราแล้วก็จะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆเช่นความสงสัยว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้าเราฟังเทศอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้รับคำตอบจากคำถามเหล่านี้ว่าตายแล้วไม่สูญเพราะว่าร่างกายของเราเน้นไม่ใช่ตัวเราร่างกายของเรา เป็นเหมือนเปลือของเตา่ากระดองเตา่าตัวเตากับกระดองนี้เป็นคนละส่วนกันเวลากระดองแตกเตาก็ยังไม่ตายฉันใดเวลาร่างกายตายไปใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทำไว้ในปัจจุบันนี้ถ้าทำบุญก็ไปสู่สุขคติ ได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์แล้วก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าเก่าถ้าบาป พ, พาไปตายไปก็ต้องไปละใช้บาปในอบายไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้อาภัพวาสนานี่คือกฎแห่งกรรมไม่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม จะมีพระพุทธเจ้ามาสอนหรือไม่สอนก็ตามถ้าทำแล้วก็ต้องได้รับผลอย่างแน่นอนเหมือนกับไฟไฟมันเผาเรามันร้อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตา่างอย่างแม่สอนลูกๆว่าอย่าไปเล่นกับไฟแต่ลูกไม่เชื่อไปเล่นกับไฟพอเล่นแล้วก็ถึงจะรู้ว่ามันร้อนมันไม่ได้อยู่ที่เชื่อหรือไม่เชื่อ จะเชื่อว่าบาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงหรือไม่ผลของบาปของบุญมีจริงหรือไม่ก็ไม่สำคัญถ้าทำบุญแล้วก็ต้องได้รับผลบุญต้องไปสวรรค์อย่างแน่นอนถ้าทำบาปแล้วก็ต้องไปอาบายอย่างแน่นอนอันนี้แต่ถ้าเชื่อก็จะดีเหมือนเด็กที่เชื่อพ่อแม่พ่อแม่บอกไอ้นี่ไฟมันร้อนอย่าไปเล่นกับไฟ เดี๋ยวจะถูกไฟเผาเอาถ้าเชื่อแม่ก็ไม่ไปเล่นกับไฟก็ไม่ก็ปลอดภัยจะไม่ถูกไฟเผาจะไม่ถูกไฟช็อตความเชื่อในผู้ที่รู้นี้เป็นประโยชน์กับเราเพราะเราเป็นเหลือนคนตาบอดนั่นเองส่วนผู้ที่รู้ความจริงต่างๆนี้เป็นคนตาดีคนที่มองเห็นอะไรต่างๆ ที่คนตาบอดไม่สามารถมองเห็นได้คนตาบอดจะทําอะไรจึงมักต้องอาศัยคนตาดีคอยบอกก่อนว่าทําตรงนี้ได้ไหมทําตรงนั้นได้ไหมไปตรงนั้นได้หรือเปล่าไปตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีคนบอกก็จะไม่รู้ดีไม่ดีก็จะเดินตกหนุมตกบอ่อเดินไปชนเสาโดินไปให้สัตว์ต่างๆกัดได้ พอมองไม่เห็นนั่นเองพวกเรานี่ยังถือว่าเป็นคนตาบอดอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมีตาตาเนื้อแต่ตาเนื้อนี่ไม่สามารถแยกแยะผิดถูกดีชั่วได้ไม่สามารถแยกแยะสวรรค์นรกได้ต้องตาในตาในก็คือปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเข้าสมาธิทําใจให้สงบถ้าใจไม่สงบ จะไม่ใช่เป็นปัญญาที่แท้จริงจะไม่เห็นตัวจริงจะไม่เห็นของจริงจะเห็นแต่ชื่ออย่างที่ตอนนี้เราได้ยินว่าตัวเราไม่ใช่ร่างกายตัวเราคือใจแต่เราก็ยังไม่เห็นใจว่าเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะเห็นใจของเราว่าเป็นอย่างไรเราต้องฝึกนั่งทำสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้ว ร่างกายจะหายไปแล้วพอร่างกายหายไปก็จะเห็นเห็นตัวใจปรากฏขึ้นมาตัวใจก็คือตัวรู้ตัวคิดนี่แต่เราจะมองไม่เห็นว่าถ้าเรายังมีร่างกายอยู่เวลาเราอยู่กับร่างกายเราก็จะเห็นรูปผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เราไม่สามารถมองเห็นตัวเราได้ เราต้องทำใจให้สงบวิธีทำใจให้สงบก็ต้องหยุดความคิดต่างๆการที่จะหยุดความคิดก็ต้องมีอะไรมาให้ใจเกาะติดไว้ผูกใจไว้สิ่งที่จะผูกใจไว้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราสามารถใช้ใชเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ เช่นคำบริกรรมพุทโธนี้ก็เรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าพุทธานุสติคือให้เราเมีสติและเลือกรู้อยู่กับคำว่าพุทโธต้องพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าเราต้องพุทโธไปเรื่อยๆใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอใจไม่คิดใจก็จะว่างจะเย็นแล้วก็จะสงบถ้านั่งอยู่เฉยๆ นั่งหลับตาแล้วพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฐานของใจเข้าสู่บ้านของใจคือสมาธิพอใจเข้าไปในบ้านแล้วใจก็จะเห็นตัวเองนี่แหละวิธีเราที่เราจะสามารถมองเห็นหน้าตาที่แท้จริงของเราได้เราต้องมีกระจกสองใจวันสองใจ กระจกที่จะสองใจนี้ก็คือการนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราทำได้เราก็จะเข้าไปข้างในใจแลวเราก็จะได้เห็นตัวเราว่าเราก็คือผู้รู้นี่เองเมื่อเรารู้แล้วทีนี้เราก็จะได้ไม่หวาดวิตกไม่หวาดกลัว กับความเป็นความตายของร่างกายและเราก็จะไม่วุ่นวายกับการกินอยู่ของเราว่าจะร่ำจะรวยจะอดจะอยากเพราะใจของเรานี้ไม่ต้องมีเงินทองก็ร่ำรวยได้มีความสุขได้เวลาเราเข้าไปสู่สมาธิเราจะพบกับความอิ่มความพอเราจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า ความสุขต่างๆที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แล้วจะทำให้เรานี้ตัดสิ่งต่างๆได้ตัดการหาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกวินกายได้ทำให้เราอยู่คนเดียวได้อยู่แบบคนจนได้ไม่เดือดร้อนเพราะว่าใจเป็นมหาเศรษฐีใจไม่ยากจน ใจไม่มีความหิวใจมีแต่ความอิ่มดีกว่าพวกที่มีสมบัติเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ใจยังหิวโหยอยู่ยังอยากได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสแสดงว่าไม่ใช่เป็นเศรษฐีจริงถ้าเป็นเศรษฐีจริงนี้ต้องรู้จักคำว่าพอถ้าลใครมีคำว่าพออยู่ในใจผู้นั้นแหะคือเศรษฐีที่แท้จริง ก็ไม่อยากได้เงินทองอีกแล้วพอแล้วมีแต่อยากจะให้เงินทองที่มีเหลืออยู่ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเพราะไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรจะซื้ออะไรก็ไม่ได้ความสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่ได้จากความพอนี่เองนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะพยายามเข้าหาให้ได้ ด้วยการฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเพราะการฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้จักวิธีที่เราจะได้เข้าหาตัวเราเองเข้าหาความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวเราเองทำให้เรานี้เป็นอิสระจากสิ่งต่างๆ ต, ตอนนี้เรายังเป็นเหมือนทาสเพราะเรายังติดกับสิ่งต่างๆอยู่ยังติดกับร่างกายของเรา ยังติดกับร่างกายของคนอื่นยังติดกับเงินทองสมบัติต่างๆยังติดกับสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขเช่นยังติดกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรถกับเครื่องสัมผัสต่างๆเวลาใดที่เราไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเราจะรู้สึกหุดกิดนํำคาญใจเศร้าซ้อยหัยเหงาว้าเหว ก็เพราะว่าใจของเราไม่มีความอิ่มในตัวของเขาเองใจไม่ได้เข้าไปข้างในใจออกมาที่ร่างกายออกมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายจึงทำให้อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอะไรต่างๆแต่ถ้าเราสามารถดึงใจให้เข้าสู่ข้างในได้ใจสงบแล้วใจจะไม่หิวไม่อยากจะอยู่คนเดียวได้ ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาคกทั้งหลายท่านมีความสุขภายในใจแล้วท่านเข้าไปสู่ข้างในใจได้แล้วท่านได้พบตัวของท่านเองแล้วท่านจึงปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างได้พวกเราก็จะปล่อยได้ ถ้าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือเหมือนฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติท่านสอนให้ทําทานเราก็ทําทานกันสอนให้รักษาศีลก็รักษาศีลกันสอนให้เจริญสติอย่างสม่าเสมอก็พยายามเจริญกันไม่ยากหรอกคำพูดโทคาเดียวมันจะยากอะไรเด็ก เด็กไม่กี่จขวบ ก, ก็ยังพูดได้คําว่าพุโทโธพุโทโธสอนเด็กให้พูดพุดโทโธเขาก็พูดได้เราทำไมจะพูดท่องพุโทโธไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องท่องอยู่เรื่อยๆท่องอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะทําให้ใจของเราเย็นใจของเราสงบถ้าเราต้องการคิดก็ให้คิดแต่เรื่องที่จําเป็นเท่านั้นเช่นเวลาเราทํางานต้องใช้ความคิดก็ใช้ความคิดได้ ตอนนั้นเราก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอเราไม่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานเราก็กลับมาพุโทโธพุโทโธต่อดีกว่าไปเที่ยวไปเล่นไปดูหนังฟังเพลงแล้วทำให้จิตใจเกิดความอยากเกิดความต้องการสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเรามีพุโทโธอยู่ในใจนี้ความอยากต่างๆจะน้อยลงไปจะเบาลงไป และเวลาใจหยุดคิดปั๊บความอยากต่างๆก็จะหมดไปใจก็จะเกิดความอิ่มความพอขึ้นมาใจก็จะไม่อยากได้อะไรจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ไม่มีอะไรเวลาที่สูญเสียอะไรไปก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่ต้องใช้อะไรแล้วไม่ต้องใช้เงินทองเจอสูญเสียเงินทองไปหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่เดือดร้อน จะถูกเขาลดตำแหน่งลงก็ไม่เดือดร้อนจะถูกคนตำหนิตีเตียนดูถูกดูแคลนว่าก่าวต่างๆนาน า, นาก็ละหานินทาก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินซื้อของต่างๆที่อยากจะซื้อก็ไม่เดือดร้อนเพราใจไม่หิวไม่โหยอีกแล้วใจมีความอิ่มความพอ เหมือนกับคนที่รับประทานอาหารอิ่มแล้วจะไม่อยากจะรับประทานอะไรอีกนี่แหละคือสิ่งวิเศษที่เราจะได้จากการฟังเทศฟังธรรมพอฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราใหม่แทนที่จะออกไปหาสิ่งต่างๆที่หาเท่าไหร่ก็ไม่เคยทําให้เราอิ่มให้เราพอต่อให้เราได้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นเดือ ร้อยเท่าพันเท่าใจของเราก็ยังจะหิวเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าเราสามารถมาทำใจให้สงบได้เราจะเปลี่ยนจากง่ามือเป็นหนังมือไปเลยเปลี่ยนจากขอทานกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาจะไม่มีวันที่จะต้องขออะไรจากใครอีกต่อไปเพราะใจมีความพอเหมือนกับคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างครบบริล์บูลแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องขออะไรจากใครอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเราจะมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรแล้วเวลาเราตายไปเราก็จะไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ และจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ในที่สุดถ้าเราปฏิบัติทำขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆทำขั้นสูงสุดเรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาเป็นธรรมที่เราจะต้องทําต่อจากขั้นสมาธิหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราได้ความอิ่มแล้วขั้นต่อไปเราต้องรักษาความอิ่มนี้ด้วยการใช้ปัญญา เวลาใจอยากได้อะไรก็สอนใจว่าการอยากได้อะไรนี้ทำให้ความอิ่มหายไปแล้วก็จะทำให้ต้องอยากอยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งที่ได้มาก็จะไม่สามารถให้ความอิ่มกับใจได้นอกจากไม่ให้ความอิ่มแล้วยังให้ความเสียใจด้วยเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ช้า ก, ก็แล้วก็ต้องจากเราไป เวลาเราได้สิ่งที่เราชอบมาเราก็ดีใจแต่พอสิ่งที่เราชอบจากเราไปเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ไปเอาเขามาเราก็อยากมีความอิ่มอยู่กับเรานี่คือวิธีแก้ความหลงที่จะมาหลอกให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆ ท, ที่เรามีความอิ่มความพออยู่แล้วต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะไม่ให้ความอิ่มความพอกับเราแต่จะกลับเพิ่มให้เราเกิดความหิวเกิดความอยากเกิดความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงต้องไม่ทำความอยากถ้าเราไม่อยากจะสูญเสียความพอถ้าเราไม่อยากจะต้องมาร้องห่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจเวลาสิ่งที่เราได้มาต้องจากออกไปนี่คือปัญญา ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจได้ตลอดเวลาเราก็จะตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราไปได้หมดถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเหตุที่เรายังกลับมาเกิดเพราะเรายังอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยู่เราจึงต้องมีร่างกายแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้ว เราก็ไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปนี่แหละคือทมขั้นสูงสุดขั้นของพ่อพุทธเจ้าขั้นของพออาาระอรหันต์ถ้าต่ำกว่านี้ยังเป็นธรรมที่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังมีความอยากได้ร่างกายอันใหม่อยู่ถ้าเราเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องปฏิบัติทำขั้นต่อจากขั้นสมาธิก็คือต้องสอนใจ ให้หยุดความอยากต่างๆให้ได้พอหยุดได้แล้วเราก็จะสบายไม่วุ่นวายกับอะไรต่อไปจึงขอให้ท่านจงพยายามมาวัดอยู่เรื่อยๆมาทำบุญทาําทามารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้บุญได้กุศลที่จะเป็นเหมือนทรัพย์ที่จะพาให้เราเวลาออกเดินทางจากโลกนี้ ไปได้อย่างสุขอย่างสบายและเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะได้พบชาติได้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมจนกว่าเราจะไปถึงพระนิพพานการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เว ล, ลาจึงขอุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเป็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภละโดยทั่วหน้ากันเธอ